50 languages. 36. c a การขนส่งมวลชน n i k a r y ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ s รถเมคันไหนไปกลางเมืองคะ คีดีบัสจะ share จานดีเหรอดิฉันต้องไปสายไหนคะเมนูคีดีบัสจะเลนีใจดีเหรอดิฉันต้องต่อรถไหมคะคีเมนูเปลี่ยนละพะเวะกันดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะเมนูคิทธิ์เปลี่ยนละพะเวะกันตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ ติกกินเนดีกี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะเฉรบาศกินเน่วร์ุกดีคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะทุหานุเอถึอึนทร์นาใจดะเหรคุณต้องลงข้างหลังค่ะทุนุพิชเชอึนทร์าใจดะเห อีกหนาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะอัลลีเมโทอีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะอัลลีทรอีกหนาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะอั รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหรคะอาครีเมโทรคโอเหรอรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอาคริทรามคโอเหรรถเมเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอาคริบัสคโอเหรคุณมีตั๋วรถไหมคะคิดูฮารดโอลติกเกตเหร ตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะตั๋วจีไนมีเรคโอลตั๋ว न ह ीใ है งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะเฟร์ตัวนู้จูมานะพะรน่าพะเวกา